ชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึ้งซึ่งปัญญาในสันสนีสนทนา ความรักและห่วงห่วงใยดังลูกแท้เฝ้าอบรมดูแลด้วยใจไม่ได้วังเงินทองไม่ต้องการสิ่งไหนครูหวังเพียงให้เจ้าได้มี สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะ่ะรายการสันสเดีสนทนามาแล้วทางสถานีวิทยุเอครอบครัวข่าว106แห่งนี้นะคะหลายคนที่จดจ่อรอคอยบางคนอาจจะเพิ่งได้ยินมาจากเพื่อนๆว่ามีการปฏิบัติธรรมในรายการวิทยุด้วยทําได้อย่างไรต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะเราต้องการที่จะให้ท่านนั้นได้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถูกวิธี แม้กระทั่งในเรื่องของการปฏิบัติพระมารชาเขาวโรนะคะแห่งวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบ ท, ท่านจะมานําการปฏิบัติธรรมและอ่านพระสูตรให้ท่านฟังค่ะนวมัส ก, การกระทั่งค่ ะ, จะเจริญพรเช้านี้เราก็มาทําความเพียรด้วยการนั่งสมาธิกันต่อพร้อมกับฟังพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้บอกสอนเรื่องของการจเจริญอานาปานาสติไว้ก็ให้เรา มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ต้องมีคำบริกรรใดหากมีความคิดเป็นในความสุขความทุกข์คิดในเรื่องอดีตคิดปุงแต่งไปในอนาคตก็ให้รีบวางความคิดนั้นเสียเรียกว่าการละนันทิหรือว่าการละความเพลินแล้วก็ให้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจหรือมีสติรู้อยู่กับกายหรือการทํางานในปัจจุบันสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีเวลา นั่งสมาธิสําหรับผู้ที่พร้อมแล้วเราก็มาเริ่มปฏิบัติในการนั่งสมาธิกันได้เลยนะช่วงต้นนี้ก็จะให้ฟังที่พระพุทธเจ้าได้สอนเรื่องอานาปานสติที่ท่านได้ตรัสกับพระอานุ์ไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าอนานนุ์อานาปานสติเป็นอย่างไรเล่าอนานนนเภิกสุดในกรณีนี้ไปแล้วสูป่ป่า สู่คนไม้หรือสู่เรียนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู palm, make, atheist away, atheist ้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื mm ่อหายใจออกสั้นก็ร <frick in vention> ู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายะสังขารให้รำงับอยู่หายใจเข้าทำกายะสังขารให้รำงับอยู่ หายใจออกนี้เรียกว่าอาณาปานสติพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ถัสสอนให้เรารู้ลมหายใจเข้าออกเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ทำกายให้สงบน้ำงับไม่ต้องมีคาบริกรรม ใ, ใดๆความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นมาจิตหลุดออกไปคิดทั้งสุขทั้งทุกข์ความคิดอดีต ความคิดในอนาคตก็ให้รีบวางบางทีเขาเรียกว่าการละนันทิแล้วก็มาตั้งจิตอยู่กับลมหายใจดยงที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้สหรับอานิสงส์ของอานาปานสติท่านได้ตรัสไว้กับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายความหวั่นไหวโยกโครงแห่งกายก็ตามความหวั่นไหวโยกโครงแห่งจิตก็ตาม มีขึ้นไม่ได้เพราะการเจริญทำให้มากซึ่งสมาธิเหล่าไหนเล่าภิกษุทั้งหลายความหวั่นไห ว, ยวโยคลงแห่งกายก็ตามความหวั่นไห ว, ยวโยกคลงแห่งจิตก็ตามย่อมมีไม่ได้เพราะการเจริญทำให้มากซึ่งอาณาปานาสติสมาธิภิกษุทั้งหลายเมื่ออาณาปานาสติสมาธิ อันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ความวันไหวโยกโครงแห่งกายก็ตามความวันไหวโยกโครงแห่งจิตก็ตามย่อมมีไม่ได้ดังนี้แหลสสำหรับวันนี้เราก็มาปฏิบัติกันได้สมควรแก่เวลาก็ค่อยๆออกจากสมาธิผ่อนคลายอธิบทแล้วก็ลืมตาขึ้นมาได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มา ปฏิบัติกันต่อทำกันอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันวันนี้ก็ปอเดาดีน้นำสกันขอบพระคุณนะคะนั่นคือพระมาร์ชาควโรวัดนาปะาพงลำลูกกาคลองสิบค่ะสัญหาเรื่องราวดีๆชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึ้งซึง่งปัญญาในสันสนีสนทนาท่านฟังค่ะ ขณะนี้ท่านกําลังฟังรายการสัมสนสนนทาอยู่ทางสถานีวิทยุเอฟเอร้ยหครอบครัวข่าวดิฉันสัมส น, นาพงศ์เป็นผู้ ด, ดําเนินรายการค่ะช่วงที่2จากเดิมเคยชื่อถามโลกตอบธรรมปีใหม่2553เราก้าวไปข้างหน้าอีก9กหนึ่งเพื่อให้ท่านได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าขณะนี้ท่านกําลังรับฟังการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะจึงชื่อว่าช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะ เชิญพบกับพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุลโนค่ะน้มสักการะทั้งคะ่ะค่ะเห็นท่านสนใจเรื่องโลกร้อนมากใช่ไหมคะโลกร้อนนี่มันก็พื้ที่ที่อุดรธานีเนี่ยบางทีอย่างช่วงหนาวหนาวเนี่ยใช่ไมค่ะอยู่ๆวันสองวันมันก็ร้อนไปเลยทลางวันนี่ร้อนมากตอนยังคืนช่วงเช้าชานี่บางทีก็หนาวจนกระทั้งโอ้อรเอาผ้ามาห่มบาคุมอะไรกันค่ะคือเหมือนกับว่าสะบัด ร, ร้อนสะบัดหนาว หนาวก็ไม่หนาวเป็นฤดูแล้วนะคะหนาวเหมือนคนมีอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงซึ่งอ่าใช่กระทั้งค่ะแล้วเห็นเขารวบรวมสถิติกันเอาไว้นะคะอ่อบางคนก็บอกว่าก็เดี๋ยวนี้การสื่อสารมวลชนมันกว้างขวางใครก็รู้อะไรได้รวดเร็วภูเขาไฟล่ำล่ยังไม่ระเบิดเลยแค่เดือดปุดปุดเนี่ยกลายงานกันทั่วไปหมดแล้วนะคะอ่ไหนจะเรื่อง หิมะตกอย่างหนักที่อังกฤษและยุโรปกับหลายๆประเทศในช่วงปลายปีนี้หรือหายนะเรื่องน้ําท่วมใช่ไหมคะโคลนถลม่ม mm hmm. เขาบอกว่าภัยพิบัติมันเหมือนกับมาเตือน mm hmm. คนบนโลกใบนี้แต่ดูเหมือนกับว่าคนบนโลกใบเนี้ไม่ค่อยกลัวภัยพิบัติหรือไงไม่เห็นตั้งหน้าตั้งตาที่จะสู้การประชุมในเรื่องของการลด โลกร้อนที่เขาเกิดขึ้นที่กรุงเขาเป็นเฮเกนใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าล้มเหลวไม่เป็นท่าเนี่ยก็ถูกหลายคนที่เป็นห่วงเป็นใยโลกก็บอกว่าแม่มันไม่ไหวนะไม่กลัวกันหรื อ, อยังไงแล้วในทางพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยควรจะกลัวโลกร้อนแค่ไหนถ้าเราจะยึดพุทธวัจรนะเนี่ยนะคะจะมีแง่คิดอย่างไรให้เรานอาออกมาปฏิบัติเพื่อความสุขกันบ้างท่านคะประเด็นแรกก่อน คือเรื่องโลกร้อนเนี่ยพระเจ้าได้อ่าเคยตรัสไว้ถึงความไม่เที่ยงของของโลกเนี่ยนะว่าพรเจ้าผมว่าอีกเป็นเวลาฝนเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ว่าฝนเนี่ยจะไม่ตกต่อกันเนี่ยเป็นเวลาหลายแสนปีแล้วก็จะมีดวงอาทิตย์ดวงที่หนึ่งปรากฏดวงที่สองดวงที่สามดวงที่สี่เนี่ยคือโลกเนี่ยจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นเพราะว่าดวงอาทิตย์มันมันมากมากกว่าหนึ่งดวงนะคใช่นี้ว่า ตรงนี้ก็คือวุฒิเจ้าจะพยายามจะเปรียบเทียบถึงว่าโอ้โหขนาดโลกเนี่ยมันยังแหลกเหลวไปได้ภูเขาแม่น้ําอะไรเหือดแท้หมดเลยทะเลก็เหือดแห้งหมดเล ย, เลกกเ อ, เลยอันนี้คือความร้อนของโลกที่วุฒิเจ้าพยากรณ์ไหมว่าอีกกานนานไกลมากๆเลยหลังจากที่ฝนไม่ตกเป็นแสนแสนปีเนี่ยจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะนะอันนี้คือคือข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นอฝนตกครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เอปีนี้ยังตกอยู่ไหมอาจแสดงว่า ย, ยังไม่ใช่นะ แต่ว่าเหตุการณ์ที่เรากำลังจะเจอเนี่ยยังไม่ใช่ว่าจะมีดวงอาทิตย์หลายๆดวงปรากฏทีนี้ว่าไอ้ความร้อนของโลกเนี่ยมันขึ้นมามันลงไปเนี่ยมันเป็นเหตุจากอะไรพระเจ้าได้ตรัสเรื่องที่เกี่ยวเนื่องอยู่บ้างนะว่าเห้การที่ดวงดาวต่างๆเนี่ยคือโลกบ้านดวงอาทิตย์บ้างเนี่ยมีประวัตินี่คือระบบการโคจรไม่สม่ําเสมอเนี่ยมันทําให้ผลคือระบบของอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหม เนี่ถามว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้วงโคจรของชาวของโลกเนี่ยไม่สม่ำเสมอเพราะพระรู้เาก็บอกว่าก็เป็นเพราะว่าชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายเนี่ยไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาวเมืองและชาวคือชาวบ้านร้านตลาดธรรมดานเนี่ยไม่ตั้งอยู่ในธรรมเนี่ยเพราะอะไรเอาก็เพราะว่าพราหม์และข้าราชบดีทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมคือพรามณและข้าราชบดีทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมเนี่ยเพราะอะไรเอาเพราะว่าข้าราชการรา ช, าารราชายุทต่างๆเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรม ที่ขาราชการรัยสิทธิ์ต่างๆไม่ตั้งอยู่ในธรรมเพราะวเพราว่าราชาชนชั้นปกครองเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมแต่มีทีถ้าเราบอกว่าอ้าพระมหากษัตริย์ของเราเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมราชยิทคือข้าราชการทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมเพราะนั้นคนที่มีอำนาจเนี่ยพวกพราหมณ์และข้าราบการทั้งหลายเนี่ยก็ควรจะตั้งอยู่ในธรรมพอพราหมณ์และข้าราชการทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมเนี่ยชาวเมืองชาวชนบททั้งหลายก็ต้ควรจะตั้งอยู่ในธรรมเมื่อนั้นเนี่ยการเดินทางของวงโคจรของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โลกเนี่ย ก็จะมีความสม่ำเสมอฤดูและปีต่างๆก็จะถูกต้องระบบทางลมต่างๆก็จะถูกต้อง mm hmm. เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอ่าอาหารของเราเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่ที่สุกและแก่สมบูรณ์อ่าพอบริโภคอาหารแบบนั้นเนี่ยก็จะทำให้คนเป็นมีอายุยืนมีผิวพรรณดีนะมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยลงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยมาร่วมกันแก้โลกร้อนเนี่ยด้วยการตั้งอยู่ในธรรมอืม ตั้งอยู่ในทําแก้โลกร้อนได้อ่าก็ทุกคนต้องร่วมกันไง <c oughs> แก้โลกร้อนได้นี่ถามว่าเราเราทำไมถึงสรุปได้ข้อความอย่างนี้เปิดทํามที่ถูกปิดเดอดารักสร็นี้ก็เพราะว่าเอ่อการที่มีปริวัติไม่สม่ำเสมอของการที่โลกเราร้อนขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าวงโครจรของมันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปใช่ั้มในระยะสิบปีเนี่ยวงโครจรของโลกก็เปลี่ยนไปแกนโลกเอียงมากขึ้น <c oughs> ทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมวงโครจรดวงอาทิตย์ ดวงจันเนี่ยถึงได้เปลี่ยนไปบ้างนิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยเนี่ยก็เพราะว่าคนเราเนี่ยมันมันไม่ได้ตั้งอยู่ในทรมค่ะคือถ้าใช้แนวทางของการอตรัสรูขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทึ่งซึ่งจะทรงเห็นในสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นท่านได้ทรงพยากรณ์เอาไว้ถ้าคิดตามน่ากลัวมากทีนี้ถามว่าเออแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงกับระบบปัจจุบันใช่ใช่ค่ะถา ม, มา เอ า, เอา ง, ง่ายๆการแตะไม้ทำลายป่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าคุณเนี่ยอ่าอยากได้เงินอยากได้เงินเลทมากนะทําสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายก็ไม่ทําคุณไปฝืนถามเอา้าคุณทําผิดนี่คุณโกหกนี่แต่เมืม่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เป็นการไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมมันก็เป็นเหตุทําให้โรคร้อนคืดสิทีนี้โรงงานกันทั้งคะ <หา S 2> ที่เขาามีปัญหากันเยอะแยะอ่าปล่อยก๊าซอะไรที่มันไปทําให้เกิดภาวะเรือนกระจกอะไรเงี้ยนะคะ แล้ก็ทําให้เกิดอ่าความร้อนสะสมมากขึ้นอจนกระทั่งถึงขนาดจะต้องมีการออกกติกากันว่าถ้าใครทําลายธรรมชาติมากขึ้นเนี่ยต้องจ่ายเงินชดเชยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พวกลังหากติกากันอยู่ในขณะนี้เนี่ยบางคนก็ จ, จะบอกว่าเอ้มันก็เป็นเรื่องของการที่รัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยพยายามส่งเสริมให้มันเกิดการผลิตนะให้อุตสาหกรรมมันเจริญเติบโตนั่นมาว่าเราทําไม คือการเจริญเติบโ ต, ตของเขาที่เขาวางแผนเอาไว้ใช่มค่ะเขาก็มีมาตรฐานในการกําหนดว่าออคุณสร้างเท่านี้คุณก็ทําลายได้เท่านี้ไปไปทําลายในหมายของว่าวัตถุ ด, ดิบต่างๆหรือว่ามลพิษที่ปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราทําตามกฎระเบียบที่ทางราชการตั้งไว้เนี่ยก็คือตัวเราก็เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในดำแล้วหมายปัญหาต่างๆเหล่านี้ยมันก็จะลดลงไปเพราะเราทําตามกฎเหมนกันทุกคน ช, ช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันเอง มันอย่างนี้ไหมคะาอาจารย์คือเหมือนกับว่ามนุษย์เราเนี่ยพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติเพราะคิดว่าในสิ่งที่ตัวเองทํานั้นมันสิ่งที่เกิดประโยชน์ <Hey. S 1> แต่บางครั้งเนี่ยการมองแบบมนุษย์ถึงจะเป็นมนุษย์ที่เก่งแค่ไหนมันอาจจะมองไม่ได้ไกล <Hey. S 1> จึงทําให้ในขณะที่สร้างเนี่ยมันก็มีการทําลายควบคู่กไปด้วย <Hey. S 1> ตอนแรกอาจจะไม่รู้ตัวแต่ตอนหลังพอรู้มันก็สายซะแล้วแก้ไขายากสมมุตินะคะ <Hey. S 1> ทีนี้ เราควรที่จะมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นยิงอาศัยกับธรรมชาติมากขึ้นหรือเปล่าเพราะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เทคโนโลยีมันยังไม่เจริญใช่ไหมคะคนนีจะต้องเกรงใจธรรมชาติเนื่องจากว่าจะต้องพึ่งธรรมชาติเกร์กุลซึ่งการละกันมากแต่วันเนี้ยดูเหมือนกับว่าคนคิดว่าไม่เห็นเป็นไรเลยร้อนเหรอฉันก็เข้าห้องเปิดแอร์ uh huh. นะคะไม่เห็นเป็นไรหรอ ใกลหรออ๋อฉันก็นั่งรถไปซึ่งนั่งรถสมมุติมีน้ํามันเนี่ยมันก็มีควันพิษปล่อยออกมาไม่เห็นจําเป็นต้องมีเลยทางเท้าเนี่ยก็มีรถน่ะก็นั่งรถไปอย่างนี้เป็นต้นพอดีมันมาเชื่อมโยงกับบทความอีกอันหนึ่งนะคะเดี๋ยวฉันจําคนเขียนไม่ได้แต่มันเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนควันหลงอย่างที่เขาเป็นเฮเกนที่ตั้งความหวังกันไว้สูงว่าจะทำให้มนุษย์โลกเนี่ย ช่วยกันแก้ปัญหาโลกร้อนได้อย่างมีระบบตามกติกาเห็นตรงกันแต่กลายเป็นเวทีที่ต่างคนต่างก็มาต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติของตัวเองแล้วมันก็หาจุดที่เป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดไม่ได้ mm hmm. แต่เขาก็เลยยกตัวอย่างว่าในขณะที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยข่าวที่น่าสนใจก็คือที่เมืองหลวงโคเปนเฮเกนนะคะของทางสแกนดิเนเวียเนี่ยเป็นเมืองที่ได้พบว่ามีคนใช้จักรยาน มากถึงสี่สิเปอร์เซนตในขณะที่คนใช้รถยนต์เนี่ยเขาไม่ส่งเสริม mm hmm. เขาก็สร้างปราการด้วยการให้เสียภาษีแพงที่จอดรถก็จอดแพงคือมีรถยากก็อย mm ่างนั้นเถอะคนก็ไม่ค่อยอยากมีรถแล้วก็ทําการขนส่งมวลชนให้มันดีมากยิ่งขึ้นมันจะช่วยในการที่จะให้ทรัพยากรไม่สิ้นเปลืองยิ่งถ้าน้ํามันไม่มีใช้เองอย่างนี้นะคะอ mm hmm. ก็จะลดการขาดดุลใ น, นพวกนี้ลงไปได้เยอะ แล้วก็มนพิษก็น้อยแล้วก็ทําให้คนแข็งแรงด้วยถ้าคิดอีกมุมสุขภาพเนี่ยนะคะอะมันก็เลยมองมาถึงบ้านเราอเต่ฉันเองเนี่ยก็มีความคิดอย่างที่อาจจะเคยขายความคิดในรายการนี้ไปบ้างแล้วว่ารายการที่คนเรามีโอกาสเดินบ้างการจะเดินได้มันต้องมีร่มเงามีต้นไม้ใบหญ้ามไม่ต้องพึ่งพารถมากน้ํามันมากก็ได้ในทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะในส่วนตัวคอนดิ i ันเข้าใจว่าการที่เราเดินเนี่ยมันเกิดประโยชน์ในแง่ที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติมีความช้าจิตใจมันก็อาจจะอ่อนโยนมากขึ้นละมุน ล, ละไมามากขึ้นมีความประณีตในการคิดมากขึ้นคิดในทางที่เห็นใจคนอื่นมากขึ้นอทั้งหลายทั้งปวงที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะมันสอดคล้องกับแนวทางพุทธวจนะอย่างไรบ้างไหมคะก็คือจะสอดคล้องในเรื่องที่ว่า ถ้า uh, เราเนี่ยเร like anyway. ื Marsh ่องการกลับไปหาธรรมชาติเน mm ี่ยนะพระเจ้าพูดไว้อย่างนี้นะครับคือคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันพระเจ้าบอกว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยมีสัตว์มีสัตว์ประเภทหนึ่งมีสัตว์ผู้หนึ่งที่เกิดความเกียดคร้านเกลียดคร้านแบบไหนคือทุกเช้าเนี่ยต้องไปเอาข้าวในป่าไปเก็บข้าวสาลีมาสําหรับทําอาหารเช้าอาหารเย็นอยู่มาวันหนึ่งเกิดความขี้เกียจเลยไปเก็บมาทั้งเช้าทั้งเย็นรั้งเดียวไม่ต้องไม่ต้องไปสองรอบปุ๊บพอคราวนั้น คนอื่นก็เลยชวนไปเก็บอาหารตอนเย็นผู้นี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ไปเราท่านเอามาแล้วคนอื่นเนี่ยก็เลยทําบ้างงั้นสมัติาทั้งชาตั้งเย็นเลยแต่พว้นี้ไงก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องไปเดินรอบหนึ่งนะวันหนึ่งทั้งเช้าทั้งเย็นทําไมไม่เราเอาไม่เอามาสองรอบเลยแต่สหรับสองวันเลยแต่กคนอื่นก็เลยทําตามบ้างสองวันเพิ่มไปสามวันสี่วันห้าวันหวันเจ็ดวันจนกระทั่งข้าวสารีเนี่ยเริ่มไม่พอ พอเริ่มไม่พอก็ต้องมีการมา แ, บแบตักแบ่งเขตว่าเออเธอของเธอตรงนี้ของฉันตรงนี้พอมีการมาปรับแบ่งเขตก็มีคนไปล่วงเขตแดนก็มีการกล่าวหา อ, อ่าการใช้การดา่กากันมากกันอะไรต่างๆคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันกลับมาเกิดอยู่แค่ความขี้เกียจเท่านั้นเองคิด <c oughs> ร้านค <c oughs> เลยมีปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาหมดเลยเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเราขยันหน่อยใช่ไหมกลับสู่ธรรมชาติอย่างเงี้ยมันก็พอจะช่วยได้ในเรื่องของคุณธรรมในจิต ข, ของเราใช่ไหมว่าเอ้ย hey, แทนที่จะเปิดแทร์นะหรือว่ า, อาไปใช้รถเกง๋งเอาเดินเอาก็ได้หรือไม่ก็ไปพักผ่อนที่อื่นที่บรรยากาศดีหน่อยก็จะสบายคือถ้าลงมีทางเท้าเนี่ยนะค ะ, คะมีก่อที่คขาเป็นเทเก้นเขาบอกว่ า, างบประมาณจากภาษิยากรจะถูกทุ่มเทไปสำหรับการทำฟุตบาทที่ใหญ่ขึ้นเพื่อจักรยานแล้วก็คนเดินเท้าเนี่ยเยอะขึ้น <c oughs> นะคะเวลาที่หิมะลงก็จะต้องเป็น เป็นช่วงแรกของการเก็บกวาดที่มะก่อนที่จะไปกวาดถนนให้รถวิ่งกวาดตรงที่ฟุตบาทนี่ก่อนแล้วทีนี้พอคนจะเดินได้หลับตานึกอย่างเมืองไทยสมมติกรุงเทพอย่างเงี้ยนอกเหนือจากฟุตบาทจะต้องดีแล้วจะต้องให้มีร่มเงาจากต้นไม้ใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ทีนี้พอมีร่มเงาจากต้นไม้เนี่ยคะ่ะมันก็จะช่วยทําให้อากาศก็ดีขึ้นนะคะแล้วคนก็อาจจะได้เออสังเกตวันนี้นะต้นไม้ออกดอก ออกใบออกโน่นออกนี่จิตใจมันก็อ่อนโยนรู้สึกว่าเราไม่อยากให้ต้นไม้ต้นนี้ตายเราต้องถนอมรักษาเขาเพื่อเขาจะได้ให้ร่มเงากับเราต่อไปเรื่อยๆอันนี้เหมือนกับสมมุตินิดหน่อยแต่ท่านสามารถจินตนาการออกไปให้กว้างไกลมากได้นะคะก็น่าที่จะเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับธรรมซึ่งเรื่องที่ยกตัวอย่างของสมัยพระพุทธองค์ที่ว่ามีสัตว์เกียติคราสเนี่ยนะคะดิฉันเข้าใจว่า คงจะไม่ใช่เรื่องเกลียดคร้านเรื่องเดียวอค่ะมันเรื่องโลภด้วยหรือเปล่าคะก็เพราะว่าไม่คิดถึงนคนอื่นไม่คิดถึงส่วนรวมฮามีเห็นมาจากความโลภนั่นแหละความอยากที่จะได้มากกว่าคนอื่นเขาแต่วมันก็เลยเป็นปัญหาว่ามีการแบ่งเขตแดงการล่วงเขาทรัพย์อันดันของไม่ได้ให้อะไรต่างๆขึ้นมาค่ะเท่ากับว่าถ้าชีวิตนะคะได้เป็นไปโดยทําพร้อมๆกันหลายๆคนแล้ว ปัญหาบนโลกใบนี้จะเกิดได้น้อยรวมไปถึงปัญหาใหญ่ๆที่โลกจะเดือดร้อนเช่นปัญหาโลกร้อนด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องนมสักการขอบพระคุณพระพารอาจารย์ไพภูณอภิปุญโนที่ได้ช่วยมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธว จ, จนะนะค ะ, ะนมสักการกระทั่งครับสัรหาเรื่องราวดีๆชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึง้งซึ่งปัญญาในสรนสนีสนทนา หวังที่ครบค่ะรายการสรรสรีสนทนาที่ท่านกําลังฟังอยู่ในขณะนี้ออกอากาศอยู่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106ซึ่งท่านจะติดต่อกับเราได้ทาง SMS 4838106 4838106หรือที่เว็บไซต์ worldwideweb.plthamma.com/106 ค่ะ เทวธรรมะสะกดดังนี้นะคะ p u r e d h a m m a c o m แล้วก็สแลค่ะเพื่อที่จะให้รายการได้ดำเนินไปอย่างเป็นประโยชน์ตรงกับความต้องการของผู้ฟังให้เต็มที่ตอนต้นของรายการฟังพระมารกชาคาวโรอ่านพระสูตรและปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกันพอช่วงกลาง ฟังพระอาจารย์ภัยบูณอภิปุลโนสนทนากับดิฉันในช่วงที่เรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะเราต้องการที่จะให้คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเป็นถ้อยคำที่สูงส่งที่ยากเกินกว่าจะเข้าใจแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นพระพุทธองค์อาจจะตรัส แก่ภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายอย่างนู้นอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องพระภิกษุสงฆ์เท่านั้นนะคะจึงจะเป็นผู้ที่ทรงมีเจตนาจะสอนแต่พระธรรมของพระพุทธองค์เคยตรัสด้วยว่าทรงมีเจตนาจะสอนให้กับมหาชนเราๆท่านท่านทุกคนจึงเข้าถึงได้และสาหรับปีนี้ก็จะพยายามให้ ในชีวิตประจําวันของทุกๆ ท, ท่านเนี่ยนะคะสามารถจะเอาพุทธวจนะเข้าไปใช้ได้ค่ะนี่ก็คือปณิธานของเราซึ่งคงจะต้องเชิญท่านฟังมาติดตามรับฟังรายการสันนิษฐสนทนากันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วเพราะวันนี้หมดนะคะขอได้รับความขอบคุณจากดิฉันสันนิษฐาคพงษ์สวัสดีค่ะติดตามการเข้าถึงหลักแห่งความเป็นจริงและวิธีแห่งการหลุดพ้นได้ในสัสนีสนทนา เวลาห้านาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับสันนีนาคพง์ที่นี่สทอร f m ยวิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน